ไารทาทั้งกล่าวไว้ว่ากาะวิเวกกิตตวิเวกอุปัิวิเวกมีความสังดัดสามเป็นสามชั้นการปฏิบัติเพื่อความสังดัดทั้งสามประเภทนี้ก็มีกาญวิเวกถ้าเป็นน้าบวด ท่านก็สอนดังที่ปรากฏในอนุสตร์ลูกขโมยเส้นงานสนัง่งเพื่อกายลุ่มลไม่มีสิ่งที่มากวนประสาทโดยผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปฟ้องใจใจันผู้รับเรื่องขอความวุ่นวายขึ้นมาโดตัวเอง กายวิเวกได้ดําเนินไปได้วยความสะดวกสบายมาตรฐานที่เหมาะสมจิตตะมันก็เป็นบาทฐานของจิตตะวิเวกคือการเข้าไปหากายวิเวกก็เพื่อเพื่อจิตตะวิเวกและเพื่ออุปตัตติเวกในระยะเดียวกันกายได้รับความสะดวกไม่มีอะไรรบกวน ประสาททางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายใจก็ไม่ยุ่งทางหน้าทางตาบาเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อความระงัดทางด้านจิตใจไม่คิดไม่ปรุงก่อความมุ่นวายใส่ตนโดยลาําพังซึ่งเมิตรต้องเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกนิ้นกายเข้าไปเกี่ยวเข้าไปฟ้องเลยการบําเพ็ญอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอหาสถ า, านที่เหมาะสมอยู่โดยสม่ำเสมอ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 มอบงานที้นึ่หรือฝึกงานทีหนิ่งให้เขาเท่านั้นต่อไปเขาก็ค่อยทําไปเรื่อยๆเพื่อใส่ลอ้อใส่เปลี่ยนก็ดันไปตามเรื่องพอทํานิดทำนั้ น, นแล้วเจ้าของก็ไม่ทําใหม่ถึงเวลาเราก็จับมาใส่ลอ้อใส่เปลี่ยนแล้วไล่กไปเลยผลอะไรก็ได้ทั้งนั้นจิตใจในเบื้องตน้นซึ่งไม่เคยได้รับการห้ามปรามด้วยวิธีใดๆทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดมา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 แต่จะทุกอย่างไรก็ตามพึงเทียบกันกับระหว่างสัตว์พาหนะกับเจ้าของที่เขาฝึกเพื่องานของเขาสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้ <c oughs> นี่จิตใจถึงจะลำบากลําบนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาพานในจิตจิตได้เห็นผลเห็นประโยชน์จากการฝึกทรมานตนเองคือมีความสงบตัวขึ้นมาเนี่ยแบบ กิ ต, ตวิเวทคือจิตมีความสงบสงัดไม่คิดฟุ้งซ่านรำคัญไปตามเพลงของตนโดยถ่ายเดียวแม้แต่คิดก็มีการยับยัางมีการาค้่ครวรว่าควรหรือไม่ควรการคิดนั้นคิดเรื่องใดประเภทใดบ้างที่จะก่อให้เกิดกิเลสอาสวะหรือจะให้เป็นศูลย์เป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสขึ้นมาจิตก็เป็นผู้ค้ยควรวนพิิพิพจารณาคือสติปัญญาณนะค้ครวน จิวเมื่อได้รับการอารักขาพยายามป้องกันสิ่งที่เป็นไทยไม่ให้เกิดขึ้นจากจิตและพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณจากจิตใจให้มีขึ้นเรื่อยๆจิตย่อมนะครับความสงอบเย็ยนใจขึ้นมาเป็นจิตวิเวกน่ความที่ว่าจิตตวิเวกก็มีความละเอียดไปโดยลาดับเนื่องมาจากกายวิเวก พอควรแก่การแจกงานแม้แต่ขั้นคิดตะวิเวกก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาคนคิดตามการตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือโอกาสอันควรเห็นจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรต่อหน้าที่จะทำหน้าที่การงานในทางปัญญาได้แล้วก็ต้องฝึกหัดคิดต่างๆด้วยปัญญา โดยถือธาตุถือขันหรืออริยสัณณ์ภายนอกก็ตามภายในก็ตามถือรูปถือเสียงติณนท์ซึ่งเคยเป็นคดศึกนั้นกลับมาเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กันให้เข้าใจตามความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาขุดคุยหาสิ่งที่มันจมอยู่ภายในจิตใจมีตั้งมากมายเต็มหัวใจพูด่ดเลย่ะถี่ใจมีความสงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มี ความสามารถที่จะแสดงตัวอย่างผาด ผ, ผ, ผลดังที่เคยเป็นมาเท่านั้นเนื่องจากอำนาจของตปธรรมเป็นเครื่องปวดขี่บังคับเอาไว้แล้วเราก็พอมีทางได้รับความสุขความสบายและมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปพอทั้งจิตได้รับความเยืเยอกสงัดจิตก็มีสติปัญญา ด้วยการจึงัาจคิตค้นมีความแยกคายทราบความผิดถูกดีชั่วของตนและทราบความติดข้องภายจิตใจของตนว่าติดข้องเพราะเหตุอะไรจะต้องพิจารณาอย่างไรจิตจึงจะผ่านกะพ้นกะปล่อยวางสิ่ง น, นั้นได้ก็นนำปัญญาเข้ามาพิจารณาเหมือนเขาคาดนาคาดกลับไปกลับมา เอนกระทั่งมูลครากมูลไถแหลกละเอียดเป็น ท, ที่พอใจแล้วเขาก็หยุดส่วนสัตว์านะที่รับภาระในการข่าการไถจะช้าหรือเร็วไม่สาคัญสาคัญที่มูลคราดมูลไถแหลกละเอียดเป็นที่พอใจเหมาะแก่การพอปลูกแล้วนั่นแหละเขาถึงจะหยุดเรื่องปัญญาของเราจะช้าหรือเร็วไม่สาคัญ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 นี่เดี๋ยว่าจิตที่เป็นจิตตาวิเวกแล้วกําลังก้าวเดินเพื่อเป็นอุปัติเวทค่อยสังกัดจากพิเลศไปโดยลำดับพิเรศประเภทใดก็ตามต้องเป็นข่าศึกต่อใจอยู่โดยดีไม่ว่าจะเป็นส่วนจากส่วนละเอียดเป็นข่าศึกทั้งนั้นพระพุทธเจา้าจึงไม่ทรงชมเชยว่าพิเรสอันใดเป็นของดีประเภทใดเป็นของดีท่านสอนให้ละโดยสิ้นเชิง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 ยังต้องชำลนะยังต้องกาจัดโดยลำดนะับด้วยปัญญานี่เราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการพอนาเพื่ออุปทีเวหากถึงคราวจำเป็นขึ้นมาที่จะต้องนำมาใช้แบบผาดผนแบบเข้มข้นแบบเอาเป็นเอาตายก็มีเช่นระยะจนกรอบจนมุม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 ไม่มีสติปัญญาไก่กลองว่าลึกตื้นหยาบละเอียดหรือผิดถูก ด, ดีชั่วประการใดนี่มีแต่ความรู้จึงไม่ไม่ไมทราบแบบมันจะกลัวอะไรจะไปกล้ า, าต่ออะไรไปตามภาษีภาษาแม้ที่สุดกลางถานนมันก็นั่งมันก็นอนอยู่ได้อย่างสบายนั้นไม่ได้คำหนึ่งบ้านใครเรือนใครเรือนใครประตามหน้าบ้านหน้าเรือนใครประตามมันไม่ได้สําคัญว่าเป็นของใครมันมีแต่รูๆ้ๆไปธรรมดา มีละจิตที่มีเพียงรู้เนี่ยเราดูคนที่เป็นบ้างมีแต่เพียงความรู้รู้่ในจิตของเราในขณะที่เจอกับทุกเวทนาเจอกับสภาพเช่นนั้นถ้ามีแต่วความรู้ล้วนๆธรรมดาไม่มีสติปัญญาเข้าเป็นเจ้าของคอยป้องกันคอยรักษาแล้วมันจะต้องยึดตรงนั้นหรือสิ่งนั้นจะต้องทับมันจนได้นี่แล้วก็การเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่สติปัญญา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 ไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันภารกิจให้นับความทุกข์ความลำบากเลยเพราะปัญญาเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด เ, นะเชียบขาดแหลมคมฟาดฟันสิ่งนั้นให้แตกกระจายไปหมดคือเฉพความจอมปลอมความยึดความถือด้วยความเข้ารู้เท่าไม่ถึงกานให้ขาดสะบั้นออกจากกันเหลือแต่ความจริงร่วนกลัวตายไปหาอายนะคำว่าตายมันก็โกหกกันเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้ แต่เราไม่ได้พูดใ ส, ใส่ร้ายป้ายสีผู้หนึ่งผู้ใดเพราะต่างคนมันพูดกันอย่างนั้นช้ำพันกันอย่างนั้นก็เหมือนกับว่ากหกกันโดยไม่มีเกตนาที่เราให้เรียนความจริงให้มันถึงเหตุถึงผลเพื่อการทุ่มส ต, ติปัญญาลงไปโดยไม่ต้องกลัวตายเลยกลัวหาลายกลัวเหตุกลัวลมกลัวแรงไปทำไมดูความจริงให้มันเห็นให้ถึงที่สุดของความจริงเอาอะไรจะตายก่อนแต่หลังถ้าตา ย, ยาจริงให้รู้พิจารณาอย่างนี้ขันคือธาตุรูปประธาต์ของเรารูปประขันเรา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 และดับไปซึ่งเป็นของคู่กันมาดั่งเดิเราจะไปยึดเอาเงาเงมันมาเป็นตัวเป็นตนไปกลัวเงามันทำไมมีแต่เรื่องเงาเงาทางนั้นแล้วกลัวเงาตัวมันจริงจริงทำไมไม่กลัวตัวจริงๆก็คือตัวความหลงนั่นแหละเราไม่กลัวตัวนี้เราก็ต้องได้แบกหามทุกข์อยู่เรื่อยๆไปหลงท่านหลงขันอยู่เรื่อยไปเวลาจะปัญญาตายก็จะไม่ได้อะไรจะได้แต่ความทุกข์ความร้อนความลําบากลําบนความกลัวเป็นกลัวตายสุดท้ายก็ตายไปทั้งทั้งที่กลัวแล้วหอบทุกข์ไปด้วย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 มีป่าชาที่ตรงไหนแน่ดินเป็นดินน้ําเป็นน yes? ้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟนี่มีป่าช้าที่ตรงไหนถ้าว vale ่าปัาชาก็เต็มไปทั่วทั้งแผ่นดินที่เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นปัาชาเพราะมันเป็นธาตุดินด้วยกันนี่เวทนาเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นเวทนาเป็นเป็นป่าช้าที่ไหนมันเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิตแน่อาการของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวจริงของจิตเป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นจิตจริงเรารู้เท่าได้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 โมหะวิชาซึ่งอยู่ภายในจิตใจมีอันต้นเขาหรือเป็นรากเงาสำคัญและแสดงมาอาการที่สองคือความสัมัสมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเรานี่เป็นของเรามีล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องจอมจอมปลอมทั้งนั้นถ้าเราหาความจริงแล้วเราจะไปหลงความจอมปลอมอยางไงต้องรู้ความจอมปลอมนี้ด้วยปัญญาปัญญามีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่มีไว้เพื่อแก้ของปลอ ม, อมแก้เห็นชัดเจนมีเวลาจาเป็น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 ถึงขั้นที่ควรจะเชื่อตัวเองแล้วไม่ควรจะไปเชื่อแบบนั้นทันไหวอย่างนั้นท่านมาดปฏิเสธโดยประการทั้งปวงว่าไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำนานตำล่ามันตามเป็นขั้นๆมาการเชื่อแต่เมื่อถึงขั้นเช่นนี้แล้วซึ่งควรจะเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิของใจแล้วเรายังจะไปหารูปธรรมความเชื่อเหล่านั้นมายึดมาถือแสดงว่าเรายังบกพร่องอยู่มากเราช่วยตัวเองไม่ได้นั่น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 ไม่ได้ไปตำหนิอันไดไม่ได้ไปชมอันไรว่าเป็นอนนีจังทุกครั้งต า, ศ า, ศาดีเป็นอะไรก็ดีหมดการตำหนิผิดชมเพราะเชื่อแห่งการความตำหนิพิชมมันหมดไปแล้วหาความมีดผิชมมาแต่ที่ไหนนอกจากไม่แต่ความจริงล้วนๆโดยหลักธรรมชาติเท่านั้นนี่นี่การเอาชชนะเอากันที่ตรงนี้ชนะตัวเองชนะอย่างนี้แหละ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 โดยการตายตา ม, ตามคำ ม, มุนิยมแล้วก็เป็นอันว่าล้างปัาชาติไปในตัวเสร็จเลยปัาชาติที่จะเอาธาตุอขันมาตั้งเป็นปัาชาติภายในตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่าหมดปัญหากันไปป่าชาติองคจิตที่บริสุทธิ์มีที่ไหนทีนี่นอกจากนิพพานนางประมังสุขขงังเนั้นไม่มีความเป็นอื่นมีเท่า น, นั้นขอให้นําไปพิจิตรพิจารณา